เรื่องเดียวอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าท่านสรุปลงไปในคำคาเดียวว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้ยินข้อนี้ก็คือได้ยินทั้งหมดปฏิบัติข้อนี้ก็คือปฏิบัติทั้งหมดได้ผลข้อนี้ก็คือหายจากโรคทั้งหมด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 ก็ไม่เป็นโรคทางวิญญาณและไม่เป็นทุกข์อีกทีหนึ่งก็คือว่าคนธรรมดาสามาัญนี้ที่จะไม่ผัสสะปรุงเป็นเวทนานั้นยากนักเพราะพอกระทบเข้าแล้วก็ต้องเลยไปรู้สึกเป็นพอใจหรือไม่พอใจเสียเสมอไปไม่หยุดอยู่ได้เพียงแค่ผัสสะเพราะว่าไม่เคยได้ศึกษาอบรมในทางธรรม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 เป็นความปลอดภัยของกูในนั้นมันมีความรู้สึกว่าของกูอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนี้เรียกว่าอุปาทานเกิดมาจากตัณหาตัณหาปรุงเป็นอุปาทานถ้าปฏิจจสมุปบาทได้ส่งทยอยกันมาถึงตัณหาอุปาทานแล้วมันก็เป็นมูลเหตุของความทุกข์ได้โดยสมบูรณ์แล้ว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 ปาทานทำให้เกิดพบแปล ว, ว่าความมีความเป็นความมีความเป็นของอะไรก็ของตัวกูและของกูนั่นเองกรรมมพบก็คือการกระทาที่ทำให้เกิดตัวกูและของกูถ้าเรียกว่าพบเฉยๆก็คือภาวะแห่งตัวกูเต็มที่เป็นโรคเต็มที่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 คือหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่พระสาวกชื่อพาหิยะว่าดูก่อนพาหิยะเมื่อใดเธอได้เห็นรูปสักว่าตาเห็นได้ฟังเสียงสักว่าหูได้ยินได้ดมกลิ่นก็สักแต่ ว, ว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสก็สักแต่ ว, ว่าได้ชิมได้สัมผัสผิวหนังก็สักแต่ ว, ว่าเป็นการกระทบทางผิวหนัง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 คำนี้ไม่ใช่คำเล็กน้อยใจความมันบอกอยู่แล้วและมันไม่เล็กน้อยก็ตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสั่งเมื่อใกล้ๆจะไป ร, รินิพานว่าอิเมเจพิกเวภิขคสัมมาวิหะเรยุงอสุญโยโลโกอรหันเตหิอสระภิกษุททั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านี้จะพึงเป็นอยู่ด้วยชอบซจโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต สัมมาวิหารยุงแปลว่าพึงเป็นอยู่หรือพึงอยู่โดยชอบ